เดี๋ยวมองที่ไหนนะ <พ boundary. S 1> เราทุกคนเนี่ยนะมีบ้านหลังเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด you 4, 3, เราทุกคนเนี่ยนะมีบ้านหลังเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็แล้วล้อยู่ภายใต้นะการปกปักรักษาของบ้านหลังเดียวกันบ้านนี้ชั่วโลกนะไม่ว่าเราอยู่ไหนเราก็ไม่เคยจากบ้านนี้ไปเลยนะจะบินจากเมืองไทยไปอเมริกานะหรือว่าจากอเมริกาเมืองเมืองไทยนะเราก็ยังอยู่ภายใต้ชายคาของบ้านหลังนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราควรจะรู้สึกขอบคุณโลกใบนี้และที่จริงแล้วเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวที่เราจะมีอยู่เราไม่สามารถจะไปหาดาวดวงอื่นมาเป็นบ้านของเราได้ อันนี้คือสิ่งที่ผู้คนยังไม่ค่อยตระหนักเราไม่เชื่อบ้านของเราอยู่กรุงเทพบ้านของเราอยู่ชัยภูมิกรุงเทพบ้านของเรานะอ า, าน อ, านะอาจจะอยู่สีลมนะอันนั้นมันเป็นแค่มุมแค่ๆของบ้านหลังที่ใหญ่กว่าคือโลกโลกประกอบด้วยอะไรบ้างนะ กประกอบไปด้วยภูเขาเื็นดินแม่น้ำแล้วก็ท้องฟ้าที่จริงเนี่ยจะพูดว่าโลกนี้คือบ้านเนี่ยคงไม่พอ เ, เรียกว่าเป็นแม่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็ได้คนสมัยก่อนเนี่ยนะ เขารู้สึกเป็นน่บุญคุณโลกนะที่อาศัยอยู่แล้วเขาก็เรียกแม่น้ำว่าเป็นเหมือนแม่พื้นดินก็มีแม่คือแม่ธรณีใช่ไหมในไร่นานะก็มีแม่คือแม่โพรกทำไมถึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าแม่ ก็เพราะว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดธรรมชาติที่ประกอบกับเส็นโลกเราทุกคนต้องการอาหารอาหารจะมาจากไหนเด็กสมัยนี้บอกว่าอาหารมาจากเซเว่นน้ามาจากไหนเด็กก็บอกว่าน้ามาจากกนะ๊อกที่จริงไม่ใช่ อาหารเนี่ยมันมาจากไร่นานะไร่และ น, นาเนี่ยนะจะให้ผลผลิตเป็นข้าวเป็นผลไม้เป็ น, นพันธุ์พืชก็เพราะว่ามีปุ๋ยแล้วก็มีน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำต้นข้าวก็ไม่สามารถจะให้ผลผลิตได้ไร่หรือสวนก็แห้งตาย นะอาหารที่เรากินเนะียไม่ว่าจะซื้อมาจากห้างซื้อมาจากร้านร้านมีที่มาจากธรรมชาตินะน้ําก็เหมือนกันน้ําไม่ได้มาจากก๊อกนะน้ํามาจากป่าป่าที่ค่อยๆ่อยทายน้ํามาทิละหยดทีละหยดรวมกันเป็น สายน้ําเล็กๆและสายน้ําเล็กๆ ก, ก็ค่อยมารวมกันเป็นแม่น้ําแล้วจากแม่น้ําเนี่แหละนะที่เราเก็บกักอย่างเช่นเมืองกรุงเทพเราก็มีคลองปลาปลานะ้นําปลาปลาที่เราได้มาจากก๊อกนึงก็มาจากทลองปลาปลาถ้านในกรุงเทพและคลองปลาปานี่เอาน้ํามาจากไหนก็จากแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย จุดกำเนิดอยู่ที่ไหนนะสุดท้ายก็อยู่ที่ภูเขายังไม่ต้องพูดถึงน้ำจากฟ้าน้ำจากฟ้านี่ก็เป็นผลิตของธรรมชาติเราคิดว่าชีวเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเงินแต่ที่จริงแม้ไม่มีเงินเราก็ยังอยู่ได้แต่ที่เราขาดไม่ได้คืออาหาร แต่หลายคนเนี่ยไม่กินอาหารเจ็ดวันก็ยังอยู่ได้คนที่ลอยคออยู่ในทะเลไม่กินอาหารเลยสี่สิบวันก็ยังอยู่ได้แต่เราขาดน้นแค่สามวันไม่ได้แล้วแล้วขาดอากาศแค่ห้าหกนาทีเราก็ตายแล้วสมองหยุดทำงานแล้วเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะ อาหารน้ำและอากาศน้ำและอากาศมาจากไหนน้ำและอากาศ ก, ก็มาจากธรรมชาติจากต้นไม้จากป่าแล้วตั้งจากสัตว์ตัวเล็กๆคือแพงตอนในมาสมุทรออกซิเจนส่วนครึ่งเนี่ยที่คนในโลกเนี่ยหายใจเนี่ยเลี้ยงชีวิตเนี่ย มันมาจากแทงตอนในมหาสมุทรแพงตอนนี่เขาเขาขายออกซิเจนมาให้เราเนี่ยได้หายใจแล้วพูดนี้แหละนะทั้งต้นไม้ใหญ่ทั้งภูเขาทั้งป่าที่มีเนื้อที่เป็นล้านล้านไร่รวมทั้งพวกสิ่งชีวิตเล็กๆคือแทงตอนเน่ยซึ่งจริงๆบนพืช น, นะประกอบกันเป็นโลก และช่วยกันหล่อเลี้ยงชีพของเราเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนะจึงถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนแม่ธรรมชาติเนี่ยคือแม่ของเราโลกนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นแค่บ้านแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีตของเราและเพราะเหตุ น, นี้เนี่ยเราควรจะรู้สึกขอบคุณ เราควรจะแผ่ความรักของเราที่มีกับแม่มีกับพ่อมีกับญาติพี่น้องแผ่ไปถึงธรรมชาติที่ประกอบกันเป็นโลกของเรานะแล้เพืออย่างนี้เนี่ยเราควรจะสนุสนองควรจะรักษานะควรจะตอบแทน ธรรมชาติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเนี่ยร้อยลวแต่เอือเ้อเฟื้อเกือเอเอเ้อกูลกันในธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งใดที่เป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวตอ้งแต่เช่นต้นไม้เนี่ย ต้นไม้เนี่ยแม้เป็นต้นกล้าต้นเล็กๆอยู่ในกระถางหรือว่าอยู่ในถุงเนี่ยแม้จะยังเล็กยังเหมือนทารกแต่ว่าจะไม่เป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวเวลาเขาดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเขาจะคายน้ำขึ้นสู่ฟ้า นะต้นไม้เนี่ยดูดน้ําจากลกแล้วก็คลายน้ําคืนกลับไปให้กับโลกต้นไม้เนี่ยดูดปุ๋ยจากดินเสร็จ แ, แล้วก็จะทิ้งใบลงมาคืนสู่ดินเพื่อเป็นปุ๋ยกับคืนไปต้นไม้จะไม่เอาฝ่ายเดียวต้นไม้จะเป็นผู้ให้ดย เราก็ควรทำอย่างนั้นเหมือนกันในเมื่อเราได้รับความเอื้อ <c oughs> เฟื้อเชื้อกุณจกษากธรรมชาติเราก็ต้องมอบความรักนะและความเอื้อเฟื้อกลับคืนไปต้นไม้นี่เป็นแบบอย่างของความเสียสละและความเมตตา พอต้นไม้เนี่ยนะโตบใจเนี่ยนะก็จะแผ่ิินก้านให้สัตว์นานาชนิดได้มาอาศัยนกลิงนะทั้งคาวแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆเช่นพึ่งหรือว่ามดก็อาศัยต้นไม้เป็นที่พักเป็นที่อาศัยเป็นรังเท่านั้นไม่พอต้นไม้ยังให้ผลผลิต ก็คือผลไม้ดอกไม้นะไ้กับสัดต่างๆทั้งนกทั้งลิงกระรอกแล้วก็พึ่งนะเรียกว่ามีความเมตตามากจากก้นเล็กๆเนี่ยพอโตพอเติบใหญ่เนี่ยกลายเป็นผู้ให้นะคนเราก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเรารู้ว่าโลกเนี่ยนะธรรมชาติทั้งปวงเนี่ยเขา มีบุญคุณกับเราเราก็ต้องรักเราก็ต้องตอบแทนเพราะนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีคือคนที่วิจักตัดยูรู้คุณแต่กัรตัอยูเองยัไม่พอนะต้องเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยไปถึงสัตว์อื่นชีวิตอื่นคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราการที่เรากตัอยูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยดีแล้ว แต่คนที่ไม่ใช่พ่อแม่เราคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราก็ต้องเอื้อเฟือนะและความเอื้อเฟือของเราก็ควรจะเผื่อแผ่แผ่นะให้กว้างเพราะพระองค์เนี่ยนะทรงสอนเรื่องเมตตากรุณาและเมตตากรุณาของพระองค์เนี่ยนะทรงสอนให้เผื่อแผ่ย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ใช่กับพี่น้อง ไม่ใช่ใหกับพ่อแม่อย่างเดียวไม่ใช่ให้กับครูบาจ า, างเดียวแผ่ไปถึงเพื่อนบ้านแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมโลกไม่ใช่เฉพาะคนแต่รวมนึงสัตว์ทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนะทั้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏนะแทให้หมดนะไม่มีการเลือกที่รับเมติชังว่านะอันนี้นะเป็นพี่น้อง เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนไทยฉันยิงจะรักถ้าเป็นคนต่างชาติคนพมา่าคนลาวนะฉันไม่รักความเมตตาของของฉันจํากัดอยู่แค่คนไทยด้วยกันหรือว่าครอบครัวเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเบแผ่ไปให้หมดนะและการแผ่เมตตาของเราความเอื้อเฟื้อของเราเนี่ย มันไม่ใช่มีประโยชน์กับคนอื่นเท่านั้นนะมันมีประโยชน์กับเราด้วยเมตตาของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนที่ได้รับความรักจากเราความเอื้อเฟื้อจากเราแต่เราเองเนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาแผ่ความรักออกไปเนี่ยเราก็จะมีความสงบเย็นเราจะนอนหลับ เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะและเชื่อไหมว่าความเมตตาของเราเนี่ยมันสามารถจะส่งผลดีกับเราในลูกอื่นได้ด้วยบางทีอาจจะถึงกับช่วยชีวเราได้เมื่อปีสี่เจ็ดนะยี่สบกธันวาสี่เจ็ดเนี่ย พวกเราจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. <Yeah. S 2> เกิดเหตุการณ์สุนันมิสุนันมิเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยอย่างเดียวมันเกิดไปถึงพมา่าและลังกามันมีเรื่องเล่า ว, ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์สุนันมิเนี่ยมันมีชาวลังกาคนหนึง่งบ้านเขาอยู่แถวๆเมืองกอลเมืองกองนี่มันอยู่ ใต้สุดของลังกานะแล้วก็ติด ก, กับมหาสมุทมาสมุทเรือ ท, ทุกวันเนี่ยแกจะไปให้อาหารปลา ใ, ใกล้ๆทะเลเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมทรเาสา์เล็กๆนะมีปลาตอนเช้าๆสายๆเนี่ยแกก็จะเอ า, อาหาไปให้ปลาทำนี่เป็นประจำ แล้ววันหนึ่งมีจระเข้มาแกก็ให้นะข้าวเอ้ยขนมปังเอ้ยนะเพื่อนบ้างก็บอกว่าให้จระเข้ทำไมมันไม่สัตว์ร้ายแต่แกแ ก, ก็ไม่สนใจนะในเมื่อให้ปลาได้ทำไมจะให้จระเข้ไม่ได้ทำไมอย่าใคงี้มาเป็นเดือนเมื่อเป็นปีแล้วพอ 26,000 วาเนี่ย นะจากที่แกอยู่แถวๆริมทะเลเนี่ยนะมันก็มีคลื่นคลื่นดับคลื่นส่ว น, นนี้มันซัดเข้าฝั่งแล้วมันก็คลื่นนั้นก็ลากแกไปสู่ทะเลนะตอนนั้นจะตกใจมากตอนที่ตัวแกเนี่ยถูกคลื่นซัดไปสู่ทะเลกว้างเนี่ยมหาสมุทรนะแกก็พยายามคว้าคว้าทุกอย่างที่มันพอจะช่วยพยุงตัว ไม่ให้จมแต่ไม่เอาคว้าหลายคว้าอะไรมันหลุดหมดเลยแต่จู่ๆก็มีมีขอนไม้นะขอนใหญ่อยู่ขอนหนึ่งแกก็รีบคว้าและกอดเอาไว้นะจะแปลกจจเพื่อคว้าไปได้สักพักเนี่ยไอขอนไม้แขนที่มันจะมันจะมันจะพัดไปตามมันจะมันจะไหลไปตามคลื่น มันจะเคื่อนสวนกระแสขึ้นท่อนท่อนไม้นี่มันจะมันจะเคลื่อนเนี่ยวนกระแสขึ้นได้อย่างไรและแก้เพรว่ามันไม่ใช่ท่อนไม้มันคือจระเข้และจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อยดึงจากขึ้นมาจากน้ำจนมาถึงผิวน้าและในสุดแกก็ ลอดตายสามารถจะไปถึงฝั่งได้ไอเจลเคลตัวนั่นนะคือเจะเคลชี่แกเคยให้อาหารเป็นประจำไม่น่าเชื่อนะว่าไอตจลเคลเนี่ยนะมันช่วยชีวิแกนะถามว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะตจลเคลเนี่ยมันมีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของผู้ชายคนนี้และถึงเวลาที่หน้าสีหน้าขวานความเป็นความตายมันก็มาช่วยแกไว อันนี้จะเป็นผลในความเมตตาที่แกมีให้กับธรรมชาติให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมทั้งเจ้ระเแค่ด้วยนะอั น, นี้มันแสดงเห็นแล้วว่าความรักของเราความเมตตาของเราเนี่ยมันไม่เคยสูงล่าบนะแต่ว่าเวลาเราจะเรามีความเมตตาหรือความเ อ, อื้อให้ความเอื้อเฟื้อใครเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเลยพิจิตรผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะเราให้อาหารปลาเราให้อาหารสัตว์หรือเราช่วย สเล็กสัวนาทุกข์ยา้ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เราเห็นว่าเขาทุกข์ยากหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ให้ไม่ได้หวังผลตอบแทน น, น, นี่คือความเมตตาเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนสินาทีแล้วเนี่ยลมเขาจับลม อาจารย์โอ้จานั่งเหมือนเดิมเลยยบลงีทุกวันนี้เนี่ย คนเราเนี่ยมีความรักความเมตตาต่อโลกเนี่ยน้อยเกินไปนะเราละเลยนะเราไม่สนใจโลกเราไม่ไตระหนักว่าโลกเนี่ยเป็นทั้งบ้านและเป็นเหมือนแม่ของเราเราไม่เพียงแต่ละทิ้งละเลยโลก บางทีเราเปลียดด้วยนะเราตัดต้นไม้เราทำลายป่าเราปล่อยของเสียลงไปในแม่น้ำนะป่ า, อ ย, า, าปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตัดสัตนวะ์อยู่ที่ไหนเราก็ไปฆ่านนี้มันเป็นความอักตันอยู่นะที่มันกําลังส่งผลเสียต่อเรา ตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตมลภาวะเกิดไปทั่วไม่ว่าใน ด, ดินในน้ำในอากาศเกิดปรากฏการ์โลกร้อนที่ทำให้น้ำท่วมและเผลอๆก็มีฝนแรงสลับกันไปอาหาร นะที่เคยมีก็ค่อยล่อยหลอลงไปเพราะว่าเราจับปลาจนกะระทั่ทงแทบไม่เหลือแล้วในมหาสมุทรแล้วตอนนี้คนก็จ็บปวกันเยอะแล้วคนกำลังประสบนะภาวะโรกระบาดเพราะว่าอากาศแปรเปลี่ยนป่าที่ถูกทำลายเราก็ทำให้เชื้อโรคที่มันเคยจำกัดอยู่ในปา่ามันแพร่ระบาดมาสู่คน โรคเอโรคอีโบลาโรคซาโรคซิ ก, กามูนเนี่ยมันเกิดผลเป็นพฤติการที่เราทำลายธรรมชาติทำลายป่าเราไม่รักธรรมชาติตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาเห็นคุณค่างธรรมชาติแล้วก็สร้างสำนึกรักธรรมชาติขึ้นมานพยายามช่วยกันนะฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมา เดียวกันช่วยกันอนุรักษ์ป่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะเคารพธรรมชาติมากผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดเนี่ยนะอาศัยกิ่งไม้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ใดแล้วก็ตัดต้นไม้นั้นหรือไม่แต่ตัดกิ่งไม้นั้นเนี่ย คุณนั้นไม่ตายกับคนที่ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามทุกนศะาสนามองว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนมิตรของเราเป็นผู้มีบุญคุณกับเราให้เราต้องรักษาต้องดูแลนะอย่าไปมองว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีชีวิตอย่าไปมองว่าต้นไม้เนี่ยเขาไม่รับรู้ความเจ็บปวด เมืเ่อเร็วๆนี้มีการค้นพบว่าต้นไม้เนี่ยเขาอยู่กันเป็นชุมชนในแอฟริกาเนี่ยเวลามีวีลาฟเนี่ยจะมากิดต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นไม้ที่ถูกวีลาฟกินนะมันจะส่งสัญญาณเป็นกลิ่งไปบอกต้นไม้ต้นอื่นว่าไทกำลังมาแล้ว ต้นไม้ที่ได้กลิ่นได้สัญญาณจากอีกต้นหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆปล่อยสารพิษออกมาเพื่อไม่ให้ยีราฟมากินนะหรือว่าถ้ามีแมลงบางอย่างเนี่ยมากินใบเนี่ยใบยมันจะส่งสัญญาณไปเรียกไปเรียกสัตว์อีกชนิดหนึ่งเพื่อมากินแมลงตัวนั้นเนี่ยต้นไม้หลายต้นพอถูกตัดจนเหลือตอเนี่ย ต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยเขาจะส่งน้ําตาลไปเลี้ยงต่อ น, นั้นให้ให้อยู่ได้แล้วก็สันนิษฐานว่าตอนนั้นคือตอนที่เป็นตอนบรรพบุรุษเป็นปู่ย่าตายายของต้นไม้ต้นอื่นอที่เหลืออันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เราเพึ่มคนพบว่าต้นไม้เนี่ยนะเขาอยู่กันเนี่ยเป็นชุมชนที่เขาสามารถจะสื่อสารกันได้เขาจะพูดกันได้ ถ้าเราเข้าใจต้นไม้ในเลมิตินี้เราจะรู้ว่าเขาเจ็บปวดเวลาเราไปตัดกิ่งเขาเวลาเราไปโค่นล้มเขานะไม่ใช่ต้นที่ถูกโค่นที่เจ็บปวดต้นไม้ที่อยู่รอบๆก็รู้สึกเหมือนกันนะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยเคยพูดมันเคยมันเป็นสิ่งที่เราอ่านได้จากจากชาดกแล้วนะว่าต้นไม้เนี่ยเขามันก็สิ่งมีชีวิต ันถ้าเราเนี่ยลองเปิดใจให้กว้างเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราควรรักษาเราควรช่วยกันคื้นผู่พุ่งต้กกนไม้ให้มากขึ้นนะรักษาป่าให้มากขึ้นเพื่อดูแลรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดนะสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่ อ, อธรรมายังเป็นเด็กเนี่ย ปู่ย่าตายาจะสอนให้เคารพแหล่งน้าเวลาไปเล่นน้าเนี่ยอย่าใช้เท้าเตะน้ำนะอย่าฉี่ในน้ำนะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราควรเคารพไอ้ความเคารพเนี่ยแบบนี้แหละที่มันทาให้ธรรมชาติยอยู่ได้มาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันแต่คนรุ่นปัจจุบันไม่เข้าใจเพราใจว่าน้าเนี่ยมัน ไม่มีความรู้สึกมันมีไว้เพื่อรับใช้เรานั่ น, นคือเหตุคือสาเหตทําให้ธรรมชาติถูกทํำลายมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาเริ่มที่เราจะต้องกลับมารักธรรมชาติกลับมารักโลกกลับมาสํำนึกในบุตริของโลกนะเริ่มตน้นจากการปลูกป่าปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้เนี่ยนะ มันไม่ใช่ดีกับโลกเท่านั้นนะมันดีกับเราด้วยอตมาเคยพาคนไปปลูกป่าที่วัดสามวันช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกหนักผู้รักผู้เลมากสองวันเนี่ยวันที่สามก่อนจะกลับก็มานั่งคุยอย่างมานั่งพิจารณาว่าเราได้เรื่อรู้อะไรจากประสบการณ์ปลูกป่าให้นั่งสงบสงบสิบห้าทีแล้วออกไป ออกไปข้างนอกไปสัมผัสกับป่าต้นไม้แล้วก็ลองฟังเสียงดู ว, ว่าต้นไม้บอกอะไรเรามีบางคนบอกว่าต้นไม้นี่บอกเขาว่าขอบขุดนะที่มาช่วยดูแลชั้นมีคนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นเพื่อนเธอนะเมื่อใดก็ตามที่เธอท้อแท้อย่าลืมว่า เธอยังมีฉันอยู่กลับมาหาฉันนะฉันจะให้กำลังใจเธอที่เขาดิเสียต้นไม้ปุ๋ยอย่างนี้นะอีกคนนึงเนี่ยเขาเล่าว่าวันแรกที่เขามาเนี่ยเขามองไปที่ทุ่งที่ไร่มันกว้างใหญ่เห็นแต่ต้นไม้ต้นใหญ่โดดเดี่ยวอยู่ต้นเดียวเธอรู้สึกท้อมากเลย รู้สึกสลดใจว่าทําไมมีทําไมป่าถูกทําลายจนเหลือแค่ต้นไม้ต้นเดียวและเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยเหมือนกับต้นหญ้าต้นหญ้าคืออะไรคือไม่มีเดี่องนี้มีแรงทำอะไรไม่ได้แต่พอไปปลูกป่าเนี่ยสามวันสองวันเนี่ยเธอบอกว่าพอเธอไปที่เดิมเธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ต้นหญ้าแล้วเธอเป็นต้นไม้หมายถึงว่ามีพลังขึ้นมาจากคนที่สูญสิ้นเรียวสิ้นแรงเนี่ยกลับมามีพลัง สามารถจะทำอให้กับโลกไดนะ้คนที่รู้สึกแบบนี้เนี่ยก็จะมีกำลังใจนะก็จะรู้สึกว่าเขามีพลังที่จะทำต่างต่างให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและเกิดกับโลกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยนะอยากจะทำให้ชีวองเราดีขึ้นมีพลัง การออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตนะิช่วยกัน ร, รักษาต้นไม้อนุรักษ์ป่าเนี่ยทำให้มีพลังมากขึ้นหลายคนเนี่ยที่เขามีปัญหาความเครียดเครียดจัดจัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขามีวิธีการเยียวยาคือพาคนเหล่านี้เนี่ยไปเดินในป่า ในประเทศเกาหลีเรามีโครงการนี้นะเกาหลีใต้เนี่ยพาคนไปเดินในป่าจัดกิจกรรมในป่าเช่นเล่นโยคะวาดรูปในป่าเนี่ยหลายคนจะฟื้นตัวนะจะกลับมาเป็นปกติได้ไวได้พลังจากธรรมชาตนะิในในฮอลแลนด์นี่พบว่าคนที่อยู่ในลักษณีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวเช่นสวนสาธารณะหรือป่าเนี่ย สุขภาพจะดีกว่าคนที่อื่นไอโ้โรคทเคยเป็นเนี่ยในที่อื่นเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าเรียใจวิตกกังวลเนี่ยจะมีน้อยมากเพียงแค่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ทำการธรรมชาติเนี่ยเราจะมีพลังสุขภาพจิตสุขภาพกายรรจะดีขึ้น และเขาบอกว่าเมตตากรุณาในใจเราเนี่ยมันจะงองงามเราจะรู้สึกดีและแน่นอนนะถ้าเราไม่เพียงแต่ว่าซึมซับรับเอาพลังจากธรรมชาติแต่ว่าเราไปช่วยธรรมชาตินะรักษาป่าปลูกต้นไม้ทำพื้นที่สีเขียวให้มีมากขึ้นสุขภาพกายสุขภาพใจจะดีขึ้นเราจะมีพลัง สามารถที่จะทาสิ่งยา้สาเร็จได้ฉะนั้นการรักโลกเนี่ยนะมันเป็นการรักที่มันเป็นการกระทาที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยความรักที่เรามีกับโลกเนี่ยสุดท้ายมันไม่ได้ไปไหนมันกลับมาที่เรามันกลับมาหล่อเลี้ยงจิตใจเรามันกลับมาซุบชู สุขภาพกิตสุขภาพกายของเราดังนงอยากจะแนะนำนะว่าเราควรหาโอกาสหาเวลานะไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่าอยู่แต่ในห้องอย่าเล่นแต่มือถือหรือว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ออกมาอยู่ที่โล่งนะอยู่ในสวนอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วก็สังเกตชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นนกเราจะเริ่มรู้สึกรักเริ่มรู้สึกผูกพันกับสิ่งเหล่านี้และต่อไปเราจะได้ยินเสียงเสียงต้นไม้เสียงแม่น้ำก็จะบอกอะไรเรา อาจารย์พุทธทาสเหมนที่สวนโมงเนี่ยท่านมักจะบอกคุณที่ไปเยี่ยมสวนโมงว่าหัดไปฟังเสียงต้นไม้พูดไปฟังเสียงก้อนหินมันสอนทำบ้างคนที่จะทำกันได้เนี่ยคุณจะได้เสียงต้นไม้เสียงก้อนหินเสียงลําน้ําเนี่ยนะใจก็ต้องว่างหรือว่าใจก็เปลี่ยนด้วยเมตตานะ และความเมตตาเหล่านั้นนะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจิตใจงองงามขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นได้เงินมีความสุขมากเท่าไหร่เราก็จะแผ่เมตตาให้กับสรรัตว์ให้กับสิ่งต่างๆในธรรมชาติให้กับทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นโลกของเราได้นะอันนี้แหละก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนา พอทเริ่นพอมของสังเกตของสังเกตนน้ำอีกนแนนี้จากคิวบี้ตอนนี้เองนะครับ